ก, การนมัสการท่านอาจารย์เจ้าค่ะเพืให้ความรู้แสงสว่างและกราบสวัสดีญาติจุมนักศึกษาที่ลงมือมาปฏิบัติทุกๆ ท, ท่านเจ้ า, าค่ะครูบาอาจารย์เพื่อให้แสงสว่างชี้นําแนะแนวทางถึงวันนี้ถึงได้ตั้งใจว่าผ่านงานปฏิบัตินี้นี่ตั้งใจอย่างเดียวที่จะทําความรู้สึกจะไม่ลังเลสงสัยในสิ่งอื่นต่อไปอีกแล้วเจ้าค่ะเพราะมันทําให้เราลงทางทําให้จิต มันง่ายต่อการคิดต่อการไปมากทำให้เราลงทางเควไปตลอดที่ผ่านมามันก็จะออกทางวาจาถ้าเราไม่เราไม่มีความสุ ข, ขุมนุ่มเลือกแต่แรกจิตเรามันเบาจิตเรามันเราเราก็ไม่รู้ในธรรมะที่เรียกว่าเป็นธรรมะในข้อปฏิบัติที่ ที่ตั้งมาแต่เรามองตามพ่อแม่มองตามการเกิดมาตั้งแต่แรกฐานจิตเราเราก็ทําตามที่มาตั้งแต่อดีตมันเป็นอดีตไปหมดแล้วจิตเราเราไม่รู้ตั้งแต่ตอนเด็กๆ เ, เราเราไม่มีความคิดเนาะเราก็เป็นคนสนุกสนานเบิกบานสิ่งที่เราฟ้อนราไม่เป็นเราเราเพิ่งจําได้มามาตอนนี้ละคะ่ะอดีตเราเนาะ ให้เราฟ้อนลำโอ้เราก็ฟ้อนลำท่านนั้นจิตเรามันก็เลยคิดแต่ในแง่เบิกบานคิดแต่ในแง่สนุกสนานมันไม่มีความหนักแน่นนุ่มลึกพอมาถึงวันนี้เรามาถึงรู้ว่าโอ้สิ่งนั้นสิ่งที่เรามุ่งหาคือความดีคือความสุขแต่ความสุขที่เราได้มามันมีแต่อามิตมีแต่สิ่งเจือปนสุขสุขแบบทำใจสุขแบบไดมาจากสิ่งของ แต่พอเรามาปฏิบัติธรรมสุขที่แท้จริงที่เราแยกแยะออกจากความสุขที่เราได้มาจากเงินทองจากการทำงานจากความคิดดีๆทุกสิ่งทุกอย่างมันมันเป็นอามิตรของความสุขเล่าความสุขนั้นทำให้เราทุกถึงทำให้ตัวเองเห็นทุกเห็นทุกที่เกิดทุกปัจจุบันแม้แต่กิจวัตรที่เกิดในร่างกาย วันนี้ถึงได้แต่ตั้งใจว่าตัวรู้ความรู้สึกเท่านั้นที่ช่วยเราได้อย่างอื่นช่วยเราไม่ได้ครูบาอาจารย์ก็เป็นความเมตตาที่ท่านให้ทานเมตตาเราให้ความรู้ชี้แนะเราแต่ถ้าเราไม่น้อมนำจิตเอาสิ่งที่ท่านให้มามามาปฏิบัติปฏิบัติเข้ากับตัวเราแล้วเราทำไม่ได้ เพื่อนก็จะมีทุกคนก็ต่างจิตต่างใจกันต่างกายกันแต่สิ่งที่ท่านให้แต่ละท่านแต่ละอย่างก็ขอหยิบยกมาใช้ใช้ในการปฏิบัติใช้ในการปฏิบัติอย่างเช่นท่านแนะนำว่าการจะทำจิตอย่างไร mm hmm. เวลาเราเดินนี่เราเราจะเราหลอกจิตเราอย่างไรให้จิตเรามีสมาธิ เพราะว่าเราทําความรู้สึกบางเราไม่รู้เนาะว่าความรู้สึกตอนแรกเราไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนแต่จิตกับกายเรามันอยู่ด้วยกันมันอยู่ด้วยกันตลอดมันอยู่ทุกส่วนเรามีชีวิตชีวิตของเรามันประกอบด้วยกายและจิตกายเราคือร่างกายจากศีรษะลงไปถึงปลายเท้าทั้งอวัยวะทุกอย่างอันนี้เป็นกายแต่จิตคือความรู้สึกคิดเบื้องต้นคิดคิดดูคนที่ตายกับเรามีชีวิตกายเนี่ยคือกายที่ตาย แต่จิตนี่มันมูดรวมกันมันถึงทําให้เราอยู่ได้การตั้งจิตตั้งจิตไปก่อนตอนแรกเราก็ตั้งจิตตั้งจิตทำแล้วทีนี้จิตเรามั น, มนเร็วมันเบามันมีหลายอย่างเข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างทั้งทุกทั้งสุขทั้ ง, งความหลงทั้ง มืดบอ ด, บอดกิเลสตัณหาอะไรมันรวมอยู่ในจิตเราแต่ในกายเรามันไม่มีอะไรมันมีความเจ็บความปวดแต่จิตเรามันไปรับรู้มันไปรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในกายเราแล้วมันก็ออกมามันก็ออกมาเป็นวาจาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างถึงวันนี้ถึงได้รู้เจ้าค่ะค่อยๆหยิบค่อยๆจับเอาความรู้จากภูบาอาจารย์ท่านหลายท่านมีเมตตาท่านเป็นพท่านเป็นทั้งพระพุทธศาสนเป็นพระอริยะเจ้า ทาา่านย่าโยมก็ให้ทุกชีวิตทุกกายทุกจิตให้การศึกษากับเราทุกคนทุกคนมีกายมีจิตก็ดูจากจิตจากกายของท่านทุกๆุกคนท่านที่ทำดีท่านที่มีอจิตอาสาอันนั้นก็ส่วนจิตของท่านที่พาไปพาทำในส่วนที่ดีท่านที่พูดคุยที่พูดจา ก, กันเราก็ก็ไปตามจิตที่ตามพื้นฐานบางทีถ้าเราได้สาธุเจ้าค่ะ ขอแต่วันนี้ก็ยังยืนยันตั้งใจที่จะมุ่งมั่นทำความรู้สึกตัวอย่างเดียวเจ้าค่ะสาธุขอ <c oughs> น, อนมรัมสการพระอาจารย์ผู้เป็นประธานและคณะสงฆ์ตลอดจนถึงแม่ชีและพุทธบริษัททั้งหลายจริงๆผมได้ประพฤติปฏิบัติมาตรงนี้มาตั้งแต่ปีห้าสองกับ ที่วัดบ่ามหาโยคือแรงบนันดาลใจครั้งแรกเนี่ยผมตั้งใจจะไปสมัครไปคุยกอบรมแค่เจ็ดวันแต่พอดีก็เปิดสองคอ <c oughs> ผมก็เลยรวมเป็นสองคอทเลยตอนนั้นผมอยู่ปฏิบัติทั้งหมดน่าจะเป็นยี่สิบวันหลังจากการปฏิบัติยี่สิบวันนะชีวิตมันเปลี่ยนแปลง ไ, ไปเยอะมาก จริงๆผมก็เกิดมาเนคือผมเป็นหนอนหนังสือคนหนึ่งเป็นคนที่อ่านหนังสือเยอะ อ, อ, อาจารย์ในวัดที่ดังๆในประเทศไทยผมรู้จักหมดเพราะผมคิดว่าการอ่านหนังสือมันพ้นทุกแล้วก็เคยเดียนในหมหาวิทยาลัยก็ได้จําอันหนึ่งว่าความรู้มีค่าควรเมืองก็คือวันๆก็ไม่รู้จะไปทํำไรก็นั่งแต่อ่านหนังสืออ่านแต่หนังสืออ่านแต่หนังสือยิงอ่านหนังสือมากเท่าไหร่ ความคิดที่มันปรุงแต่งมันมากเท่านั้นทีนี้ในขณะที่ผมไปปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมทั้งแรกๆก็เหมือนกับคนอื่นมีอยู่สองอย่างคือการปฏิบัติธรรมคิดกับง่วงไม่ง่วงก็คิดไม่คิดก็ง่วงอยู่อย่างนี้เอ้ยมันไม่คิดก็ง่วงมันไม่ง่วงก็คิดไม่คิดก็ง่วงนี่คือพื้นฐานง่วงจนถึงขนาดว่าจับต้นตะแบกแล้วก็ยืนหลับท่านอาจารย์สุริยาเอาไม้เท้ามาจี้ที่ อ, อกว่าหลับทําไม ก็เลยตื่นขึ้นตื่นขึ้นก็เดินต่อไปอีกก็เดินต่อไปอีกจนจบคอสจบคอสบอกอาจารย์ว่าผมคอต่ออีกคอสหนึ่งอาจารย์แล้ววันนั้นรู้สึกว่าคอสแรกจัดวันที่ยี่สิบสามคอที่สองน่าจะเป็นวันที่ยี่สบถึงวันที่ยีิบเจ็ดก็เลยอยู่ที่วัดอยู่น่าจะนานมากอยู่ที่วัดจนคนในครอบครัวปิดโทรศัพท์ปิดอะไรหมดมาคนเดียวจนหลายคนเขาเป็นห่วงว่ามันไปไหนกันสักทีก็เลยปฏิบัติอยู่ตอนนั้นหลังจากนั้น ตั้งแต่ปี52มาการทำงานรู้สึกว่ามีประสิทธิภาพขึ้นการเรียนหนังสือเยอะๆที่ผ่านมาในชีวิตผมว่าผมตอนอายุจนถึงอายุ50ถูกความคิดมันใช้ผมมาตลอดเลยผมไม่เคยได้ใช้ความคิดพอมาถึงพอมันคิดมากคิดมากติดตามความคิดไปเรื่อยๆติดตามความคิดไปเรื่อยๆในที่สุดผมก็เออเห็นความคิดแล้วผมก็รู้จักกับความคิด พอผมเห็นความคิดผมรู้จักกับความคิดผมก็บอกว่าเออวันนี้ผมได้ใช้ความคิดแล้วนี่คือผมพูดในเรื่องที่ผมประสบการณ์จากการปฏิบัติธรรมผมได้ใช้ความคิดหลังจากนั้นผมก็ปฏิบัติอยู่เรื่อยๆแล้วหลังจากการปฏิบัติเรื่อยๆก็ประสิทธิภาพในการทํางานดีขึ้นในปัจจุบันนี้ผมก็ดํารงตําแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ด้วยนะครับก็คือทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานก็ อยู่จังหวัดพิศนุโลกครับผมครับผมครับครับก็ยังดํารงตําแหน่งอยู่จนถึงปัจจุบันก็ทําให้ภาระในการที่จะมาปฏิบัติธรรมหรือจะไปเข้าค่ายที่ไหนนานก็จะไปทําไม่ได้ครับก็ที่ยิงก็มีเรื่องที่จะพูดกันเยอะมากก็ขอรักษาเวลาครับกราบน้ำมัสการหลวงพ่อพระภิกษุสมสามเณรและกราบสวัสดีเพื่อนกัลยาณมิตรทุกท่านค่ะ ี่ฉันนางสุภาพรวงเวรขันนะคะได้ไปปฏิบัติที่สวนโมกลกรุงเทพนะคะแล้วก็ได้เจอกับพระอาจารย์วันนั้นท่านได้พูดถึงเรื่องของการปฏิบัติธรรมเรื่องของสมถะและวิปัสสนาซึ่งตัวเองเนี่ยปฏิบัติมาในแนวทางของพุทโธนะคะานาปนสติดูลมหายใจอย่างนี้มาตลอด วันนั้นเมื่อได้ฟังพระอาจารย์แล้วทําให้ตัวเองคิดว่าการปฏิบัติของตัวเองเนี่ยได้พะาะกับความสงบนิ่งนะคะแต่ไม่เกิดปัญญาเพราะเราไม่สามารถก้าวพ้นตรงนี้ขึ้นไปได้แต่เมื่อฟังพระอาจารย์วันนั้นแล้วทําให้สามารถเชื่อมโยงต่อได้ว่าสมถะแล้วเราสามารถก้าวขึ้นสู่วิปัสสนาได้อย่างไรก็มีจิตศรัทธานะคะวันนั้นเพิ่งเจอหลวงพ่อเป็นครั้งแรกด้วยค่ะ ก็เลยได้ตามหลวงพ่อเมื่อเราเกิดจิตสัทธาแล้วเราก็อยากจะรู้ในรายละเอียดใช่ไ้มคะว่าเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรจะต้องศึกษาเรียนรู้อย่างไรนะคะก็เลยตามหลวงพ่อไปที่คารุสตินะคะก็ทำให้มีความเข้าใจได้ยิ่งขึ้นว่าการที่เราอยู่นิ่งๆปฏิบัติอยู่ในท่าเดียวนั่งสมาธิอย่างเดียวนั้นมันทำให้เราจมนะคะแต่เมื่อเราได้มาปฏิบัติในแนวทางของหลวงพ่อเทียน ได้มีการสร้างจังหวะศึกษาเรียนรู้ของการเคลื่อนไหวดูกายดูจิตไปเรื่อยๆนะคะก็ทําให้เราเห็นความแตกต่างระหว่างการปฏิบัติแบบสมถะอย่างเดิมที่เร า, เาภาวนาพุทโธกํากับเอาไว้กับการที่เราเอาความรู้สึกตัวมาดูการเคลื่อนไหวตรงนี้ทําให้จิตเราตื่นนะคะหลังจากนั้นแล้วก็ได้ไป เข้าคอสปฏิบัติกับหลวงพ่อพยายามดูตารางของท่านว่าท่านปฏิบัติที่ไหนเพราะเมื่อเราเข้าคอสครั้งเดียวแล้วเรามาทําต่อที่บ้านมันไม่สามารถที่จะเพิ่มความกยันหมันเพียนนะคะความมันนอดทนตรงนี้มันยังมีไม่มากพอแล้วสิ่งจูงใจที่เราจะปฏิบัติก็คือคําสอนของหลวงพ่อไปแต่ละครั้งจะได้ความ ร, รู้ได้ประสบการณ์ได้ กำลังใจนะคะแนวทางในการปฏิบัติเพิ่มขึ้นแล้วสิ่งสําคัญที่ได้พบก็คื อ, อมันเกิดขึ้นกับตัวเราเองซึ่งคนอื่นไม่สามารถที่จะมาบอกเราได้ที่เห็นได้ชัดก็คือครั้งที่ไปที่แม่สอดนะคะวันที่20่สถึงยีดกุมภาพันธ์ตั้งใจตรงนั้นตั้งใจเสียไปที่แม่สอดก็ได้พบสภาวะจิตที่นิ่งนะคะ ก็ถามหลวงพ่อว่าเนี่ยมันเกิดความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นเนี่ยมันเป็นอะไรเพราะตัวเองก็กลัวจะหลงนะคะเกรงว่ามันเราหลงทางหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะก็ได้าถามหลวงพ่อและได้คุยหลวงพ่อแล้วก็ได้ปฏิบัติต่อที่เชียงคำนะคะไปที่เชียงคำหลวงพ่อได้ไปฝากไว้ที่บ้านสวนแสงเทียนสิริบูร์บ้านคุณป้า พ, พิกุลนะคะซึ่งไม่เคยรู้จักท่านมาก่อน แล้วก็ที่จะไปเชียงคํานั้นก็ไม่ใช่ความตั้งใจที่จะไปนะคะเพรตั้งใจว่าปฏิบัติที่แม่สอนเสร็จแล้วก็กลับกรุงเทพเลยแต่เมื่อได้เจอสภาวธรรมตรงนั้นทําให้มีจิตนะคะที่อยากจะปฏิบัติต่อนะคะทั้งทั้งที่ภารกิจที่กรุงเทพก็ยังมีอยู่แต่ก็ตั้งใจเมื่อหลวงพ่อมีความเมตตาให้ไปปฏิบัติด้วยก็ไปค่ะไปถึงที่สวนแสงเทียนศรีบูรณ์ที่นี่ จะมีแนวทางที่ยึดมั่นว่าให้เราสร้างความรู้สึกตัวให้อยู่กับความรู้สึกตัวตลอดเวลาก็ได้มีแม่ชีนันมาบอ ก, กบตัวเองว่าคุณป้าสุให้เดินจงกรมนะคะคือตอนแรกเราเป็นนั่งเอาเสื่อมาปนูนั่งในห้องท่านก็บอกว่าไม่ให้นั่งให้มาเดินข้างนอกจะขอเปลี่ยนที่ตรงนั้นมันร้อนเราเจอกอไผ่ มันล่มเย็นดีจะขอเปลี่ยนที่ท่านก็บอกถ้าจะเปลี่ยนเอาตรงไหนก็ให้เอาตรงนั้นที่เดียวตรงนี้คือแนวทางที่นั่น <c oughs> เมื่อทราบเป็นกฎปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็เลยบอกท่านเอาละ่ะเมื่อจัดข้างหน้าอ่ากุดที่อยู่จะเป็นแนวทางเดินคล้ายๆกับปุดที่นีแต่มันไม่มีด้านข้างมีแต่ตัวหลังคา ก็เดินอยู่วันแรกวันที่สองจิตอยู่ที่หลวงพ่อเอ๋อหลวงพ่อน่าจะมาความเข้าใจของตัวเองคิดว่าหลวงพ่อจะไปสอนตอนกลางวันที่นั่นหลวงพ่อก็ไม่มาแต่มันมีความรู้สึกว่าถ้าจิตเราผูกไว้กับหลวงพ่อแล้วเนี่ยสมาธิเราไม่มีเต็มที่ความรู้สึกตัวในการก้าวเดินที่ขาที่เท้าหรือที่ตัวเนี่ยมันมันมันไม่มีเต็มที่มันรู้เป็นช่วงระยะระแบงระยะที่เรานึกไปถึงหลวงพ่อใช่ไหมคะ พอผ่านไปแล้วสองวันเอ๊ะไม่ใช่แล้วอย่างนี้เราไปคิดไปยึดติดอย่างนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องสลัดท่านออกเอาความรู้สึกตัวทั้งหมดมาอยู่ที่เท้าที่การปฏิบัติในการเคลื่อนไหวตลอดเวลาพอวันที่สี่โอ้โหได้พบกับสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นกับตัวเองก็คือขานี่ เดินเดินตั้งแต่ตีสามตื่นตีสามจนถึงสามทุ่มนะคะที่นั่นเดินวันหนึ่งมากกว่าสิบชั่วโมงนับแล้วประมาณสิบสาสิบสี่ชั่วโมงนะคะเดินอย่างเดียวเลยค่ะแล้วก็ที่แปลกก็คือไม่มีอาการง่วงเลยค่ะเดินดูตลอดเวลาพอถึงวันที่สี่นี่พบว่าขานี่มันแข็งรู้สึกนะคะจนถึงสักสี่โมงเย็นได้แล้วพอห้าโมงเย็นเนี่ยก็จะตีะระฆังให้เลิกไปอาบน้าพอสักสี่ โอ้โหทำไมมันแข็งขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเมื่อจิตกําหนดรู้ถึงสภาวะตรงนั้นก็เลยความรู้สึกที่ว่ามันเจ็บมันปวดมันเมื่อยมาก่อนหน้านี้แล้วจนสร้างความรู้สึกความบันแข็งจนจะ ก, ก้าวขาไม่ออกอยู่แล้วแทบจะลากขาเดินอยู่แล้วนะคะพอเรารู้สภาวะตรงนี้ปุ๊บ มันหายไปเลยค่ะด้วยภาวะที่จิตนี่มันเบิกบานสว่างโล่งเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นตอนแรกยังคิดว่าเย็นนี้เราจะเดินไหวไม่นาอแม่ชีจะต้องมาวางเราแน่เลยพออาบนะ้ำาม่ไรเสร็จไปเดินที่ ท, ที่ลานตัวเบาวิวเลยเดินได้ตลอดค่ะไม่มีอาการปวดเมื่อยตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันที่สิบห้าอยู่สิบห้าวันก็ได้พบ ให้เรารู้ให้เราเห็นว่าถ้าเรามีความตั้งมัน่นมีความขยันหมั่นเพียรแล้วก็ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องนะคะเราอยู่สิบห้าวันต่อจากไม่สอนมาเจ็ดวันก็ยี่สิบกว่าวันเนี่ยมันได้ทำแบบต่อเนื่องทุกวันตีสามถึงสามทุ่มเลยเนี่ยคะ่ะมันทำให้เราสามารถจะพบแล้วก็รู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับสภาวะจิตของเราก็ดีกับร่างกายเราก็ดีกับความคิดกับ ความรู้ที่ได้เพิ่มขึ้นอย่างนี้ค่ะประสบการณ์ต่างๆที่ได้เกิดขึ้นกับตัวเองนี่ก็ดีมันทําให้เราสามารถที่จะพบได้รู้ได้ด้วยตัวเราเองซึ่งเราไม่สามารถที่จะไปบอกหรื อ, อไปขอความรู้จากคนอื่นว่าเอ๊ะเขาทำกันอย่างไรซึ่งจากเริ่มแรกจะขออนุญาตให้กําลังใจกับผู้ปฏิบัติใหม่นะคะ ตอนแรกเนี่ยตัวเองก็สงสัยนะคะว่าการปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยมันทําให้เรารู้อะไรแค่ยกมือสร้างยังหวัดแค่นี้สงสัยอยู่หลายวันนะคะแต่ด้วยจิตที่ศรัท ธ, ธานะคะเอาเถอะเมื่อคนอื่นก็ปฏิบัติได้รู้ได้เห็นได้จากการที่ได้เข้าคอร์สแล้วก็ได้ฟังประสบการณ์จากผู้อื่นนะคะ <c oughs> ก็เลยมีจิตตั้งมั่นว่าไม่ต้องคิดอะไรมากตรงนั้นขอให้เราทําไปเมื่อทําแล้วก็ได้พบแล้วก็ได้ประสบการณ์ตามที่เล่าเนี่ยคะ่ะ ขอบพระคุณค่ะขอกราบคลรวะหลวงพ่อมหาดิเรกซึ่งเป็นประธานสงฆ์นี้แล้วก็ขอกราบคลรวะครูบาอาจารย์ปะเทละมชัชฌมะนวกะแล้วก็ขอ คาลวะในธรรมของสามเณรแม่ชีแล้วขอสวัสดีเพื่อนสาธุรรมิกทุกท่านผมดรจักติสังกอนถ้าจะพูดชีวิตของผมมันเดินทางมายาวนานจริงๆเกิดเดิม เป็นหน้าแล้วครับแล้วก็เอาพูดสั้นๆเลยนะครับการเดินทางธรรมของผมครั้งแรกเมื่อสองพันห้าร้อยสิบหกเดิมตอนนั้นเป็นฐานเลืออยู่แล้วก็ก็ได้ศึกษาเรื่องรูปนามก่อนครูผมคนแรกก็คือคุณแม่ชีจำลองรับ วัดสรอยทองและหลังจากนั้นก็ไปเรื่อยๆวัดเพลงวิปัสนาต่อไปไปวัดปากน้ําต่อไปจนครัง้งต่อไปก็ไปเรื่อยๆไปวัดเพชรพีแล้วก็ได้ขนาดนั้นผมอ่านหนังสือสองเล่มเล่มแรกก็คือหลวงปู่ปานบางน้ำโคแล้วก็ต่อไป หลวงปู่ ม, มั่นตอนที่ผมมปอยู่วัดเพชรพรีจอนนั้นส่วนส่วนส่วนส่วนใหญ่นะครับผมเป็นหาเลืเอเนี่ยคือส่วนใหญ่แล้วมีการเฉลิมฉลองต่างๆถึงผมจะหาความสงบทุกที่เลยปีใหม่นี้ผมว่าเออเขาเฉลิมฉลองผมจะทำอะไรจะให้มี ชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปก็เริ่มถือศีลแปดอะไรต่างๆวันพระวันเสาผมกิดวันเสาก็หลังจากนั้นพอตอนนั้นอยู่วัดเพชรพบุรีแล้วก็ตอนนั้นก็อ่านหนังสืเอเจอหลวงปู่ศิลปุทาจารโอที่อยู่เชียงดาวผมเดินทางจากเพชรบุรีไปเลยครับไปวันนั้น คือส่วนใหญ่แล้วก็พอไปก็ไปเองไปถามทางเลยนะนํงไปแล้วก็ไปพอเข้าไปเสร็จแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นสัปดาห์หนึ่งก็อะละ ไ, ได้ทานแกงได้ทานแกงโหอนะครับได้รวมกันทุกสิ่งทุกอย่างเตรานั้นแล้วนั่นแหลนนะผมก็เดินทางต่อไปเรื่อยพอได้ พักล้อนก็ไปทางภาคอีสานไปครูบาอาจารย์ต่างๆหลวงปู่เทสไรผมเป็นคนที่มีความเพียรมากถ้าจะทําอะไรจะต้องทําให้ได้แต่ว่าก่อนในส่วนเป็นนะเรือนี้เป็นคนที่โทรสจริตมากที่สุดเลยใครพูดเพื่อเพื่อนที่ที่ทำงานนะมีเรื่องกันเรื่องทะเลาะ ก, กันอยู่เรื่อยนั่นแหละครับก็จากนั้นเน่ยไปเข้ากรรมฐานที่วัดส้อยทองนะครับ คือว่าจะต้องเข้าเย็นตอนเย็นเนี่ยตั้งแต่5โมงถึงเจโมงทุกวันเอาแบบนี้เข้าไปก็ไปแบบนี้ก็เริ่มถึกษาไปเรื่อยครับจนพร้อมสุดท้ายมาเดินทางไปทั่วมาแล้วก็มาเจอสุดท้ายที่คือวัดสังฆทานแล้วจากนั้นนะครับตั้งแต่บันัน้น2ยผมก็ขูกตัวอยู่ที่นั่นวัน คือวันเสาร์นี้ก็ไปไปทุกครั้งไปรับชาพระเลยนะนะจนทั้งว่ามันเบื่อชีวิตของทหารเรือมากที่สุดการทํางานเลยใ น, นต่างมันเบื่อจริงๆพคือมันทํางานซ้ำแซ่ซ้ำแ ซ, ำซำ่จนเกิดทั่งว่าเอจะเอาไงดีเลยคิดว่าลาออกตรงนั้นแล้วผมในสมัยนี้เป็นทหารเรือก็เรียนรามด้วยเรียนรามเองนะครับไม่มี เวลาไปเข้าคารดระเลต่างๆเลยแต่ว่าที่ เ, เคยนั้นคือนั่นแล้วก็เป็นผู้ที่มีความเปลี่ยนก็เรียนเรียนเรียนไปด้วยเรียนรามถึงหปีคือเหตุที่6ปีก็พราว่ามีวิชาบางบางบางวิชาเนี่ยเราจําเป็นจะต้องเข้าคาัดแต่เราไม่ ร, ร, รู้อะไรจบแค่นั้นนะครับหลังจากอยู่วัด สังฆทานทุกวันสาวกวันพระนี่ผมจะเนสทิ์แข่งกับพระนั่งนั่งรับบ้างสู้อะไรจังๆจนนั้นมันก็ได้รับความสงบอะไรต่างแต่เขาพูดว่าพิจรารณาไม่ทราบเลยว่าจะทำยังไงเนีน่ยนะนั่งสงบสงบออกมาก็ยังมีโทโทสมองจนจนกระทั่งหลวงพ่อสนองเนี่ยท่านส่งพระไปอยู่อินเดียตอนที่ผมอยู่กับพระมาเอาละ เราเรียนจบลามแล้วเราเราสามารถไปอยู่ได้นานไปอยู่อินเดียหนึ่งเก้าปีจบด็อกเตอร์เทนั่นมาพอจบเสร็จบวชทันทีเลยมุ่งหน้าว่าเอาละเราจะต้องสําเร็จและเรียนมาทุกสิ่งทุกอย่างเรียนเรียนเสร็จลวเอาละอยู่คํานี้เราจะได้ตั้ง น, นานตั้งนานทำเสร็จแต่ว่าเพราะมันก็มีกรรมหรือมีเวรอะไรก็บวช สามัญสาเนี่ยแหเรียกว่าจะบวชตลอดชีวิตมาเจอแหม่มรากไปอยู่แคนาดาไปอยู่ถึงยี่สิบสองปีตอนนี้กลับมาอยู่สองปีแล้วมาเจอหลวงพ่อมาหากันแล้วแต่ก่อนหน้านั้นก็พอมีลูกอยู่ที่นอนคนหนึ่งอายุยี่สิบสามปีแล้วตอนนี้เราก็น่แหละเราก็ไปแล้วเราก็แยกกัน ลกลับมาอยู่นี่แต่มันก็อย่างว่าเรื่องสำคัญคือชีว่าเอาละเรามาอยู่เมือ ง, เ ม, องเมืองไทยเนี่ยเกิดเราแก่ไปเราป่วยไข้อนะไรต่างใข้จะเป็นผู้เป็นคู่ชีวิตของเราก็มาเจอคุณจอยเนี่ยก็เอาไงไๆก็ลองเข้าชีวิตนี้พักพักหนึ่งนั่นแหละครับเจอจนคุณจอยเขาแนะนำให้ ยกมือเนี่ยครับก็มาในนั้นก็เข้าวัดสนามในมาแล้วก็มาตอนนั้นเจอหลวงพ่อมหาที่คุรุสตินั่นแหละครับผมประทับใจท่านมากที่สุดในนั้ทนที่ว่าพอเห็นพ่อมนั่งหลับนี้ท่านจะเอาและเอาแล้วท่านจะคือเนี่ยครับครูครูครูบาอาจารย์อย่างนี้หาญาตที่สุดนะครับแล้วเนี่ย จากนั้นผมก็ติดตามท่านมาตลอดไปจนมีผมในวันนี้ที่ว่าที่เห็นเนี่ยแหละครับแต่ว่าคือว่าผมมีที่เทอมที่จะให้ท่านคอยพิจารณาอยู่นะครับแค่นี้นะครับคือสามเดี๋ยวว่าคุใช้เป็นอักขบข understanding คือถ้วยเนี่ยมันเล็กนะฮะ แต่ว่าเราควรจะมีความเข้าใจให้ลึกซึ้งเอาแก่นสารประโยชน์ต่างๆเท่านั้นเองเราไม่ต้องไปเรียนอะไรมากนะครับแต่อีกตัวหนึ่งมันเพิ่มความใหญ่ขึ้น A b a l เลน of Love ก็ท่านคงจะทราบนะว่าในขณะนี้การซื้อขายน้ำมันต่างๆเนี่ยเขาใช้ตัวนี้ครับเป็นตัวมันก็มีความใหญ่ขึ้นมีความรับใช่ไหมครับแต่ตัวสำคัญที่สุดครับ กรตโอเชียนออเพเชียนไอ้ตัวนี้สำคัญที่สุดมหาสมุทรแห่งความอดทนอดทนอย่งการสอนํำสอนต่างๆครูบาอาจารย์ที่พามสอนเราต้องอดทนคำสอนนี้แล้วเอาคำสอนมาประพฤติปฏิบัติด้วยความเพียรฉันทะวิยะกิตตวิมังสาสีตัวเนี้ครับเป็นองค์แห่งความเสร็จนั่งทางโลกทางธรรม เอาแค่นี้ครับหลวงพ่อการนมัสการหลวงพ่อพระคุณเจ้าแล้วก็ญาติทรรมทุกท่านคะ่ะนีไ่ไม่ใครอยากให้ใครไปอยให้ใครไปแต่ตอนนี้เรารกำลังปฏิบัติในการกดทุนในการฟังเรียกว่าศิลปะในการฟังนะที่เราทําอย่างนี้นะเจ้าค่ะชื่อเจร翰เมธาบดีนะคะ ก็ปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่ปี50นะคะก็ลมลุกคุคานมาเหมือนท่านทั้งหลายนั่นแหละนะคะ แ, แรกระยะแรกก็ระยะเมาเมาหาครูบาอาจารย์นะะแต่พอตอนหลังได้มาพบกับหลวงพ่อเนี่ยก็มาปฏิบัติก็มันเกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นนะคะและทีนี้การการปฏิบัติเนี่ยถ้าเราอยู่บ้านเนี่ยเราแบบว่าเรารู้สึกตัว อยู่กับปัจจุบันรู้จักการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวใจรับรู้อะไรเนี่ยก็ทํามาทํามาแล้วก็มันยังมีอีกอะค่ะมันเหมือนไม่จบมันเหมือนไม่จบนะฮะมันมันยังค้างค้างคาคก็เลยตัดสินใจว่าลองไปอยู่วัดดูก็มาเข้ามาหนึ่งพรรษาก็มาเนี่ยเนยอาจจะครบปีตอนเนี้ยค่ะก็มาอยู่วัดก็จะจะอยู่วัดมากกว่า หนึ่เดือนหนึ่งจะอยู่บ้านสักสิบวันห้าวันอะไรประมาณเนี่ยนะคน ะ, ะก็อยู่ที่พะเยาแล้วก็มาอยู่ที่แพร่เนี่ยฮะก็ไปไปมาๆเนะะี่ะทีนี้กับสามีเนี่ยแรกๆเนี่ยเราเราก็ไม่มีปัญหาเราก็เข้าวัดด้วยกันไม่มีปัญหานะคะแล้วพอเรามาอยู่วัดนานเนี่ย มันด้วยหลายเรื่องมันมันไม่ใช่อย่างนั้นเดียวก็คือเรื่องของสุขภาพของเขาด้วยแล้วเหมือนมาเอาไปเอามาเนี่ยจากที่เขาอยู่กับปัจจุบันได้พอตอนหลังเขาอยู่กับปัจจุบันไม่ได้เหมือนเป็นตั้งแต่เขาเป็นเป็นโรคที่ถูกไอไวรัสทำลา ย, ปป ล, ายลายประสาดอนะไรเขาก็จะเพี้ยนไปเหมือนเหมือนจะเพี้ยนไปนิดนึงก็ไม่มาจากที่ว่าเป็นบัตรประจําตัวประชาชนนะคะบอกไปวัดไปด้วยกันไปไหนไปด้วยกันตลอด มันไม่คือภาคเลยอะฮะแล้วก็พอตอนหลังก็ไม่มามาวัดแล้วไม่ไ ม, มีความสุขตื่นเช้าไม่ได้อดข้าวไม่ได้เขาจะมีเหตุของเขาอะนะะแล้วพอตอนหลังมันก็จะมีมันจะหวงหวงว่าไปวาดนานเนะ่ยมีอะไรกับพระหรือเปล่าไปไปเมาพระหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็จะ ก็ไม่มีเหตุผลนะคือเขาก็จะหายเหตุผลอยู่ในความคิดกลาว่าเขากลับจากที่เขามีอารมณ์รูปนามชาัดเจนกลับไปอยู่ในความคิดหมดเลยอารมณ์รูปนามก็หายไปความต่อเนื่องของเขาก็ไม่มีนะคะแล้วก็แต่เราไม่เราได้เห็นเห็นภัยของวัตตะแล้วเราไม่กลับไปแล้วแล้วพอมาปฏิบัติอย่างนี้นะความเป็นหญิงของเราไม่หายไปความเป็นผู้หญิงเนี่ยมันหายไปเพราะฉะนั้นการที่จะกลับไปเป็นภรรยาเหมือนเดิมไม่ได้แล้ว ก็มีการคุยกันคุยกันว่าตอนนี้แม่เป็นอย่างนี้นะอย่างนี้งี้พ่อเป็นอย่างนี้แล้วก็คุยกันว่าเราไม่ได้เลิกกันนะเราไม่เลิกกันหมายความว่าความเป็นอยู่อะไรเราซัพพอร์ตกันเราดูแลกันตลอดทุกสุขอะไรดูแลแต่แต่เวลาเข้าวัดเราปิดมือถือเนี่ยก็ไม่ได้คุยกันเราเขาว่างเราไม่ว่างเราว่างสามทุ่มขอหลับแล้วเพราะฉะนั้นการพูดคุยมันก็จะห่างไปเรื่อยๆห่างไปเรื่อยค่ะ ก็ไม่ทราะก็คือสรุปว่าเขาอ่ะไม่ได้ปฏิบัติต่อเนื่องแต่เราเนี่ยก็ต่อเนื่องขึ้นต่อเนื่องขึ้นแล้วเวลามาอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยก็เราก็มาประวัลนาตัวเป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาก็คือเมื่อก่อนเราทําเพื่อจะเอาแต่พอเรามาอยู่วัดเนี่ยเราเปลี่ยนแนวคิดใหม่ว่าศึกษานะคือมาเรียนมาเรียนมาเรียนที่ปรัชนาฮะและทีนี้เวลาเราก็จะรู้ว่าพอเรามาเรียนเนี่ยตามกับหลวงพ่อไปทํางานไปอะไรไปเนี่ย เราก็จะไปเจอสภาส ว, าวาไอสภาวะธรรมที่มันก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆมันมีเหมือนเป็นการเลื่อนชั้นอะอนุบาลป .1 ป .2 ออป .3 ไปเรื่อยคือจิตของเราเนี่ยมันเบาไปเรื่อยนะความอยากความโลภความโกรธของเรามันก็ลดลงไปลดลงไปเรื่อยๆนะฮะมันก็เราก็เห็นว่าโอ้อันนี้มันคือทุกข์ของเราเบามันมันลดลงลดลงบางทีอยู่กับทุกข์ได้แต่ใจก็ไม่ทุกข์ บางทีป่วยแทบตายนะป่วยเนี่ยไม่มีใครดูแลเลยอยู่วัดเนี่ยเวลาป่วยเนี่ยไม่มีการดูแลกัน ท, ที่ที่นั่นต้องปีนขึ้นเขาป่วยเนี่ยต่างตายเลยนะบางทีแต่หลวงพ่อเนี่ยจะสอนแบบว่าให้ให้ปรับสมดุลเนะี่ยการปรับสมดุลของของรูปคือร่างกายเนี่ยกายเนี่ยมันทุกข์ตลอดมันสบายไม่สบายตลอดแต่ท่านจะสอนให้ปรับให้มันมาอยู่สมดุลได้ยังไงคือ ความร้อนกับความเย็นในร่างกายเนี่ยให้มันสมดุลกันยังไงเราก็เจินมาเรียนรู้พอเรียนรู้จากกายของเราที่มันแสดงออกเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอ๋อเราควรจะปรับยังไงถ้าร้อนแล้วก็เย็นทานเย็นถ้ามันเย็นเราก็ทานร้อนฮะหรือไม่ก็ขูดพิดกัวาซาอะไรไปทําเองนะคะโดยที่ไม่พึ่งใครจากที่เมื่อก่อนนี้สามีจะทําให้ทั้งหมดทั้งหมดเลยจะใช้มืออย่างนี้เลยพ่อน้ํานี่พ่อพ่อพ่ออย่างนี้หมดเลยต่อข้าวกับปลานี่ บางทีเราป่วยไม่สบายนะยกไม่ให้ถึงหัวเตียงเลยนะคะก็บางทีตื่นขึ้นมาอะไรในกินอะไรกับข้าวอยู่นั่นแล้วคือเขาไปแล้วตัวไปจ่อยแล้วเนี้ยคือเราสบายขนาดนี้เี่ยแล้วพอเรามาอยู่วัดนะทุกอย่างทําเองถ้าปีนขึ้นเขาไม่ได้ก็อดข้าวไม่มีใครเอามาให้นะะมันได้เรียนรู้ เพราะฉะนั้นการมาเรียนรู้อย่างนี้คือการพึ่งตัวเองนะตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ถ้าฉันรู้อย่างนี้นะเมื่อก่อนฉันก็จนมากนะฉันก็อยู่อย่างนี้แหละแล้วฉันก็ขวนขวายเรียนนะเรียนจนทํางานนะมีหน้าที่การงานเงินเดือนเงินดาวอะไรดีอะพอสุดท้ายฉันต้องมาอยู่กลับมาอยู่แบบเดิมรู้ยี้ฉันไม่เรียนหนังสือก็ดีคิดขนาดนี้นะก็มากลับคือกลับมาลาบากกลับมาจนเนะี่ยจนไม่มีอะไรอยอยู่กับหลวงพ่อบางทียึดเงินก็มีมีรถก็ยังยึด ไอ้กุญแจเลยอ่ะคือฝึกเราอย่างนี้แล้วเราก็ไม่เห็นว่าอ๋อความไม่มีอะไรเนี่ยมันทําให้เราไม่มีทุกข์นะคะความที่มีอันนั้นมีอันนี้มันทําให้เราไปยึดไปถือเป็นของเราของนี้แล้วเราก็ทุกข์มันก็เป็นภาระภาระทางใจของเรานะคะมันไม่ใช่ง่ายนะกว่าที่เราจะวางทวกสิ่งได้มันไม่ใช่ง่ายนะฮะแต่ตอนนี้ก็คือเรื่องปัญหาครอบครัวมันก็มีเนี่ยล่าสุดเนี่ย ล่าสุดนี้แฟนก็ถึงขนาดถือว่าไม่สบายเนะ่ยไม่สบายหนักมากแล้วก็คิดว่ายังไงจะต้องดูแลเขาคือเขาจะบอกดูแลดูแลดูแลไม่ีใครดูแลเขาบอกว่าเราเนี่ยมีความสุขกันมาตั้งนานแล้วในในหมู่บ้านนี้ไม่มีใครเสมอเหมือนเราและและทําไมตอนนี้เรากําลังพลาดจากกันเราก็ไม่เห็นว่าโอ๋ออันนี้ทุกทุกนี่มันสาหัสนะทุกที่ พ, พลาดจากคนที่รักเนะี่ยมันสาหาัสนะคะก็เลยบอกให้เข้าว่า ถ้าเลือกแม่ไปวัดกันถ้าเลือกลูกไปอยู่กับลูกเขาก็เลยเลือกลูกถามว่าเขารักเราไหมนะเขาเลือกลูกนะคะเขาเลือกลูกเขากไปหาลูกเราก็เห็นอ๋อเป็นอย่างนี้เองคนที่รักกันเขาบอกว่ารักกันรักกันเขาก็ไปหาลูกเขานะแล้วลูกก็บอกว่าแม่ทําไมแม่รับผิดชอบหน้าที่แม่ต้องมาดูพ่อกลายเป็นว่าเป็นลูกซึมเศร้านะจากที่ป่วยอาเจียนอาเจียนเวีย น, ย น, นหัวในยอยู่ไม่ได้เนี่ย วินิฉัยโรคพวกอย่างแล้วไม่เป็นอะไรลูกลูกก็เลยอาญาสิ้นเศร้าให้กินพอดีลูกเป็นหมอนะคะก็ยาสื่นเศร้าให้กินก็เลยบอกลูกเลยว่าเออลูกก็สงสัยว่าทําไมแม่ต้องอยู่วัดแล้วทําไมต้องตามหลวงพ่อไปที่โน่นที่นี่ตกลงแม่กับหลวงพ่อนี่อยู่วัดไหนกันแน่ก็เลยบอกว่าเออคือเขาสงสัยว่าเหมือนทํำมกากรือเปล่าเร็วมันเนี้ยเหมือนจะไปหาสาขา สาขาอะไรทั่วไปก็เลยบอกว่าเราไุยพูดแหละถ้างั้นลูกก็มาดูแล้วกันนะให้เข้ามาดูให้เขาา้เขามาดูว่าแม่อยู่ยังไงเป็นอะไรยังไงอนะเข้ามาดูก็บอกไม่ได้นะแต่บอกแดงเดียวว่าทางทางที่ลูกเดินดูเนี้ยตอนเนี้ยลูกก็เป็นหมอนะทํางานจนไม่มีเวลาหลับเวลานอนนะไม่มีเวลาหลันอนลูกเขาก็อยากให้เราไปเลี้ยงเพราะว่าเขาไม่อยากจ้างใครเขามีไว้ใจใคร อันนี้มันเป็นทุกข์สาหาัสเลยคือเราจะเห็นความคูกของลูกกันเมื่อก่อนจะภูมิใจว่าฉันเนี่ยเลี้ยงลูกดีมากเลยนะลูกจะเลี้ยงจนเป็นหมออ่ะลูกฉันก็ไม่เกเรอะไรเลยฉันภูมิใจภูมิใจนะแต่ลูกสะพ้ายก็เป็นหมอมันการอะไรประมาณเนี้ยแต่พอไปเห็นการทํางานการอยู่การกินการที่ท่ายเยทายทยานไปอยู่ในสังคมชั้นสูงใช้ใจ่ายเงินการคมนาคมการใช้เงินที่หามาได้ไปให้พวกแท็กซี่พวกอะไรพวกเนี้ยเขาไม่ได้เก็บเงินเงินจ่ายไป รับมาจ่ายไปรับมากใหญ่ามากเขาก็ทุกข์เขาก็เป็นหนี้นะฮะก็ไม่ต่างอะไรกับคนทํานาจนๆเนนะี่ยนะมันไม่ต่างใครคิดว่าแพทย์รวยโอ้โหรวยรวยวยอย่างนี้นะคะมันความเป็นจริงมันไม่ใช่มันเหมือนกันหมดเลยทุกข์ของคนรวยกับทุกข์ของคนจนมันเหมือนกันหมดเลยทุกข์เพราะความโลภเนะี่ยนะฮะแล้วพอไม่ได้อะไรใจก็โกรธนะโกรธแรงพวกที่การศึกษาสูงๆทํางานใหญ่หญๆจะโตเขาจะโกรธแรง โกแรงมากแล้วมาดูจากผู้ปฏิบัติที่แต่ละคนที่เข้ามาเนี่เนี่ยมันมีหลากหลายอะเราก็จะเห็นเห็นเห็นคนหลากหลายแล้วก็มาเห็นภาพรวมมาเนาะว่าโอ้ทุกของเรามันเท่ากันหมดเลยอ่ะนะฮะทุกท่านมันมันเหมือนกันน่ะมันอันเดียวกันด้วยซ้ะนะก็เลยไม่อยากมันมันไม่อยากกลับไปตรงนั้นนอะะมันอยากจะไปอยู่กับปัจจุบันอะอยู่กับปัจจุบันขณะเนี่ย ทำยังไงจะเอาใจกับกายมันอยู่ด้วยกันในปัจจุบันขณะเนี่ยมันมันไม่สุขแล้วก็ไม่ทุกข์อ่ะมันอยู่ได้มันพออยู่ได้อะ่ะนะมันพออยู่ได้มันไม่เกี่ยวข้องสุขก็อยู่ได้ทุกวันเนี่นอนนอนไหนก็ได้ไดเหมือนเหมือนนกขมิ้นเหลืองอ่อนสามีบอกว่าถ้าแม่อยากเป็นนกขมิ้นเหลืองอ่อนก็ไปอยู่วัดกันพอให้เป็น น, นกขมิ้นเหลืองอ่อนนะคะก็มันก็อาจจะเป็นอารมณ์ชั่วคราวเนาะแต่ถามว่าความห่วงใยมีไหมมีม บางทีเราคิดว่าเอ๊ะทำไมคนอื่นเนี่ยคนอื่นเข้ามาเขาบอกแบบฝากสามีด้วยนะดูแลสามีด้วยนะเนี่ยเขาเอาสามีมามาวัดมาปฏิบัติธรรมมาเขาภรรยาก็เป็นห่วงเขาจะโทนี่ตลอดนะเราก็ต้องดูแลสามีคนอื่นแล้วสามีเราอ่ะทําไมเราไม่ดูแลก็ยังคิดอยู่ว่าจะหาอุบายไงเอาเขากลับมาอยู่กับอารมณ์รูปนามให้ได้อคือใจกับกายไม่อยู่ด้วยกันเอารู้มารู้ม า, มาศึกษากายใจเนี่ย เนะี่ยเมื่อวานนี้เห็นตัวตัวอย่างออาจารย์แมนนะฮนะเนี่ยไม่เห็น อ, อาจารย์แมนที่จริงอาจารย์แมนไม่ได้เกี่ยวกับหลวงพ่อหรอกหลวงพ่อแค่บอกวิธีแค่เองคนที่ทําคืออาจารย์แมนถ้าอาจารย์แมนไม่ทนะําเนี่ะขึ้นไปไม่ถึงนะไม่ถึงแล้วขาขึ้นเนี่ยสัน่นผับๆเลยนะแรกเนี่ยแต่พอพอมาเห็นนะอาจารย์แมนอีกทีเนี่ยขึ้นไปถึงชั้นบนเอ่อชั้นที่หนึ่งพันสี่บเอ็ด คุณประจอบนี่ไม่กล้าขึ้นนะคุณประจอบไม่กล้าขึ้นขออยู่ข้างล่างเนะ่ยแล้วคุณลุงแมนขึ้นไปกับหลุงพ่อนข้างบนเนะี่ยคือเข้าไปในถ้าข้างบนเนี่ยนะฮะสุดท้ายก็เลยบอกว่าเราก็เลยมาหลอกขึ้นไปคนนึงว่าไม่ไกลเลยนะอยู่ตรงนี้เองเห็นเ่็นเห็นเห็นเห็นนอยเนี่ยสุดท้ายคุณประจอบก็ขึ้นไปเนี่ยมันอยู่ที่ใจใจมันคิดมันกลัวนะฮะความกลัวเนี่ยมันหลอกเราตลอดเวลา ถ้าเราไม่มีความกลัวเสอย่างเราทำอะไรได้หมดเลยนะะแล้วก็ปัจจุบันขณะเนี่ยเราเดินขึ้นบันไดตั้งพันกว่าขั้นเนี่ยมันไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเลยมันนเหมือนเหมือ น, นเราเดินไปที่ลาบเนี่ยมันไม่เหนื่อยไม่มีความเหนื่อยเพราะเมื่อวานนี้ใครเออบางคนคิดว่าเออเราหนีเที่ยวไม่ใช่เราไปเดินจิงโกมขึ้นเขาอะ่ะมันสุดยอดอะ่ะมันสุดยอดมากนะกนะะ็คงจาฝากแค่นี้ค่ะ นี่คือตัวอย่างในการเกี่ยวข้องกับครอบครัวเกี่ยวข้องกับรูกการพาธีกรรนะคะหลวงพ่อแล้วก็พระเทราทุกทุกองนะคะแล้วก็แม่ชีแล้วก็กาวสวัสดีญาติธรรมทุกท่านด้วยนะคะที่ที่มาในครั้งนี้นะคะ่ะก็คือโรงพยาบาลเป็นเป็นโครงการนะคะ โครงการในเรื่องของการสร้างคุณธรรมจริยธรรมเนื่องจากว่าโรงพยาบาลจาตุรัสเราอะค่ะเป็นโรงพยาบาลที่พัฒนาคุณภาพของการบริการมาระดับนึ่งละแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เป็นความคาดหวังของประชาชนด้วยแล้วก็เป็นความคาดหวังของผู้ในการด้วยก็คือเป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพคู่คุณธรรมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พวกเราเดําเนินการกันอยู่นะคะ ส่วนโครงการเนี้เป็นโครงการครั้งแรกของโรงพยาบาลมันไม่มีการบังคับบังค่บท่านก็จะไม่มีมีไม่มีการบังคับนะคะผู้บริการให้เอาสมัครใจตอนนี้พอเราเออ f i n d i n พวกพี่ๆไปว่ามีท่านใดจะมาบ้างเข้าร่วมกิจกรรมนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด21 21คนแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เลือกมาที่นี่ก็คือเรามีความศรัทธาเพราะว่าโดยส่วนตัวดิฉันเองเนี่ย มาที่นี่สี่ห้าครั้งแล้วนะคะร่วมกับโรงพยาบาลเนรสงา่าเมื่อก่อนอยู่โรงพยาบาลเนสงา่าแล้วก็พอมีความศรัทธาแล้วเนี่ยมันก็จะจิตมันก็จะอยากจะมาที่นี่เพราะว่าเราดูแล้วเราเลื่อมใสนะคะเราก็อยากให้คนอื่นเนี่ยเออเป็นทุกข์อยากให้คนอื่นคิดเหมือนเรานะะอเพเปิดพวกพี่ๆก็มาด้วยนะคะสิ่งหนึ่งก็พี่ๆเขก็ปฏิบัติ ด, ดีมากปฏิบัติดีก็เราสี่นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเรามาครั้งนี้เนี่ย มันก็ได้เรียนรู้ตัวเองเอาส่วนตัวที่ที่ได้นะคะก็คือเรามีความนิ่งขึ้นไม่ฟุง้งถ้าเกิดเป็นความคิดถ้าเกิดเปรียบเทียบกับสเปรของตัวเองนะคะมันจะเป็นสเปรที่แบบฉีดเมื่อก่อนที่มามันจะเป็นฟุ้งนะคะตอนนี้พอมาอยู่ที่เนี่สี่ห้าวันเนี่ยสเปรย์มันก็ลดหัวลงน ะ, ะมันก็จะเป็นแบบสเปรที่มันโฟกัสมากขึ้นก็คือมันเป็น มันเป็นแบบมันไม่ได้ฟุ้งเหมือนเมื่อก่อนนะะแล้วก็มันก็จะรู้สึกโล่งโปล่งสบายกว่าทุกครั้งที่มาจริงๆแล้วมาที่นี่สี่หครั้งครั้งแรกๆก็เอาไปใช้ในการทำงานนะะเพราะว่าเราเป็นพยาบาลแล้วก็มันก็จะมีความหลุดจากตัวเองพูดไม่เพาะบ้างหงุดหงิดบ้างนะอันนี้ก็ก็ช่วยได้นะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่ได้แต่ว่ามันไม่มีความต่อเนื่องนะคะมันไม่มีความต่อเนื่องก็คิดว่า ถ้าเกิดมีรุ่นสองรุ่นสามต่อๆไปนะคะ ค, คิดว่าน่าจะเป็นการพัฒนาโรงพยาบาลในส่วนหนึ่งที่ที่ตัวเองที่ผู้ในการท่านก็อยากเห็นแล้วก็เชื่อว่าพวกพี่ๆที่มากันก็คงจะไปบอกต่อๆกันในเรื่องดีๆที่จะชักชวนให้คนอื่นเข้ามาร่วมปฏิบัติธรรมมากขึ้นน ะ, ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำไมต้องมาที่นี่แล้วก็มีความคาดหวังอะไร ท, ที่ที่มีอยู่ในโครงการนี้นะคะอันนี้ก็ ก็คงจะเท่านี้นะคะกาบน้มัสกานหลวงพ่อแล้วก็พระเถระนุเถระทุกรูปแล้วก็สวัสดีญาติธรรมทุกท่านนะครับก็บไม่ไม่คิดว่าจะได้พูดนะครับแล้วก็ <c oughs> กไ็ไม่ไม่ไม่ค่อยอยากจะพูดด้วยเพราะว่ากลัวพูดไม่ถูกครับคือมาทั้งนี้เป็น เป็นการที่มาปฏิบัติธรรมครั้งแรกนะครับโดยส่วนตัวแล้วใจอยากจะมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแต่ว่าก็ก็ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนแต่แต่ตั้งใจไว้ว่าในแผนชีวิตเนี่ยขอสักครั้งหนึ่งมีอะไรใหญ่ใหให้กับตัวเองนะครับก็คิดว่าจะปฏิบัติธรรมทีนี้พอปีนี้เนี่ยก็ทางโรงพยาบาล น, นะครับ โดยคุณบางอ่อนเนี่ยทำโครงการขึ้นมาก็เลยว่าสมัครมานะครับลูกน้องก็ดีใจใหญ่เลยว่าโอ้มีตัวแทนละสงสัยหัวหน้าเสียสละให้ลูกน้องมาดีใจใหญ่แต่จริงๆไม่ใช่ตัวเองอยากมาเองนะครับทีนี้ก็คือก็มาก็ได้ได้รู้หลายอย่างที่ตัวเองสงสัยนะครับอย่างเช่น การทำสมาธิแบบเคลื่อนไหวยกมือสิบสี่จังหวะแล้วก็ยก 10, ที่เคยทำมาก็ยกสิบสี่จังหวะ<ม>ก็แค่นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดเก้าสิบสิบสิบสิบสามิบสี่แล้วก็นับใหม่หนึ่งสองสามสี่ไปไงี้เอ้อมนับแค่นี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยครับพอมาครา้นี้ก็ก็ทราบว่ายกเพื่ออะไรเพื่อให้ให้ให้เราได้สัมผัสให้เรารู้อยู่กับตัวเอง ซึ่งแต่ก่อนก็สงสัยอีกแล้วว่าเอ๊ะนั่งทำสมาธิเขาให้อยู่จุดเดียวแล้วทำแบบนี้เดี๋ยวก็แวกไปทางนู้นเดี๋ยวก็มกแวกไปทางนี้เอาสัมผัสตรงนี้แล้วมันจะอยู่ยังไงทำไมมันก็จะเววไว้ไปตลอดอะไรเงี้ยครับก็ ก, ก็ก็ได้ความรู้แล้วก็ได้สิ่งที่สงสัยมาเยอะแล้วก็เหมือนธรรมะจดสันที่ท่านอาจารย์ว่ า, ามารู้จักกาลยาณมิร คนหนึ่งนะครับก็จะชวนไปนั่งคุยกันพอไปคุยกันก็ไปได้คุยกับท่านพระอาจารย์เข็มนะครับซึ่งก็ได้ได้รู้อีกหลายอย่างที่ตัวเองสงสัยนะครับก็ก็เป็นโอกาสที่แบบว่าโอมมาครั้งนี้นี่สิ่งที่ตัวเองคาดหวังไว้เนี่ยได้มากกว่าที่คาดหวังอีกได้รู้จักพระ ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเยอะมากนะครับซึ่งตัวเองเดี๋ยวนี้ยังอยู่ทั่วๆไปอย่างในเมืองเนี่ยนะครับเราก็ไม่รู้ว่าพราดีพราไม่ดีเยอะๆไปหมดนะครับเดินผ่านหน้าบ้านมาองค์เดียวแล้วก็หรือมีรถมาลูกนิมิตอะไรผ่านมานมเยอะจนจนเราต้องต้อง เกิดความรังเลยสงสัยในหลายๆเรื่องนะครับแต่มาคราวนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีใจที่ได้มาแล้วก็ได้ได้อย่างที่ตัวเองคาดหวังได้เรียนรู้ตัวเองคือเวลาทำงานก็ก็พยายามคือทำสติแต่ก่อนก็อ่านอ่านหนังสือบางนิดๆหน่อยๆครับอย่างของหลวงพ่อท่านพุทธทาสเนี่ยบางทีเราทำงานหงุดหงิด วุ่นวายเราก็ลืมลืมลืมลืมไปเขาเรียกว่าอะไรไม่มีตัวตวนว่างอะไรเงี้ยครับ ก, ก็ก็ช่วยช่วยได้บ้างแต่ว่าพอมาเรียนรู้ตรงนี้มันก็จะทำให้เราอะมีสติแล้วก็รู้ตัวเองก่อนก่อนที่จะทำทุกอย่างทุกอย่างที่อาจารย์พาย อ, อาจารย์สอนเนี่ยไม่สงสัยนะครับแต่ว่าตัวเองไม่รู้หรอกยังไงไปไม่ถึงแต่ ค, คิดว่ามันมัน มันต้องเป็นอย่างนี้แหละเรียนรู้โดยโดยไม่สงสัยครับแต่ถ้ามีโอกาสหรือเรามีบุญพอวันหนึ่งเราก็อาจจะจ ะ, จะรู้ได้นะครับก็ก็คิดว่าอย่างนี้ครับครับไม่สงสัยครับแล้วก็รู้สึกว่ามีมีความรู้สึกตัวเริ่มเริ่มมีบ้างแต่ว่าเหมือนเหมือนเราจะคิดอะไรอย่างเงี้ยเข้าข้มันก็มีสติขึ้นแล้วก็ไอ ที่อาจารย์ก็สอนว่าเรื่องเวลรรำให้รับรู้สติต่อเนื่องก็ท่านพระอาจารย์เขียมก็ได้อธิบายขยายความให้ฟังอีกว่าเออต่อเนื่องมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยเเราก็เอ อ, เ, อ, อเกบเล็กน้อยหรือว่าหลายๆเรื่องที่เราสงสัยเราก็ทราบมากขึ้นนะครับครับก็คิดว่านั้นกราบละมัสการหลวงพ่อคณะสงฆ์กราบสวัสดี คณะญาติธรรมทุกท่านนะคะมริกาช่วยคูณค่ะปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลจตุรัสคือหลังจากที่คุณบังอ่อนได้ทำโครงการนะคะในความคิดของตัวเองก็คือว่าเราผู้ให้บริการปัจจุบันนี้น้องๆทุกคนนะคะมีความเครียดมีความวิตกกังวลจากบทบาทหน้าที่ของพวกเรา ไม่ได้นอนไม่ได้กินนะคะตรงนี้แล้วแต่ละคนไม่สามารถหรือบางคนนะคะก็จะมีความสามารถในการที่จะจัดการกับปัญหาต่างๆเหล่านี้นะคะก็คิดมาตลอดนะคะว่าเราจะทำให้กลุ่มของพยาบาลกลุ่มน้องๆที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยมีความสงบ มีวิธีการที่จะหาทางออกให้ตัวเองให้ตัวเองนะ่ะมีความสุขในการดำรงชีวิตพอดีตัวเองมีโอกาสที่ไปปฏิบัติธรรมที่สุขโตนะคะอาจารย์อาจารย์หมอตุที่ครูราชพาไปสองครั้งแล้วก็ได้ไปปฏิบัติตามที่หลวงพ่อเทียนเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็เคยก็เคยอ่านหนังสือนะคะว่า หลวงพ่อเทียนพาปฏิบัติธรรมเนะมีสิบสี่ท่าแต่เราเคยยึดติดกับการที่เราจะต้องมานั่งนิ่งๆกำหนดลมหายใจเข้ากำหนดลมหายใจออกให้มันมีความสงบซึ่งเราเคยปฏิบัติมามันจะสงบไม่ได้นะคะยังไม่ถึงยังไม่ถึงนาทีเราเราทำของเราไม่ได้พอเราไปสุขโต ผู้อาวุโสให้ติดตามใ ห, ให้กำหนดรู้ตามจังหวะการเคลื่อนไหวแล้วทีนี้มันทําให้จิตของเราเนี่ยมันสงบมากขึ้นกว่าการที่เราไปกําหนดลมหายใจพอเราไปตรงนั้นมาสองครั้งเราสามารถที่จะนํามาปฏิบัตคิคือก็ไม่รู้อะไรหรอกคะ่ะถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่รู้แต่เรามีความรู้สึกว่ามันทําให้เรารู้จักตัวของเรามากขึ้น มันทำให้เรามีความยับยั้งในกระบวนการความคิดต่างๆในการที่จะพูดในการที่จะกระทำมันมีมากขึ้นนะคะก็เลยก็เลยคิดว่าแนวทางนี้มันน่าจะเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันของพวกเราเพราะ ปกติของพวกเรานะ่โอกาสที่เราจะมาทำอย่างนี้โอกาสที่เราจะปลีกวิเวกออกมาจากครอบครัวมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าจะหาวิธีการไหนที่จะทำให้มันอยู่กับชีวิตประจำวันของเรา แล้วก็จากการที่ได้พูดคุยกับของโรงพยาบาลเนินสง่าโรงพยาบาลพักดีชุมพลซึ่งเคยมาปฏิบัติธรรมที่นี่นะคะน้องๆพี่พี่เขาก็ให้คําแนะนําว่าถ้ามาที่นี่แล้วมันจะทําให้เราเกิดผลอย่างน้อยเราก็กลับเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันเราได้พอคุณบางอ่อนทําโครงการนี้เราก็เลยคิดว่าเราหน้าที่จะมาที่วัดถ้ำแสงเทียนนี้เป็นจุด ที่คงจะทำให้พวกเรานะคะมาปฏิบัติเพื่อที่จะสงบจิตสงบใจแล้วก็นำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ค่ะกลับนมัรการพระอาจารย์ทุกรคูครับและเพื่อนเพื่อนกัลยาณมิตรทุกท่านครับผมผมขอสั้นๆครับผมเองก็ เคยปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อจรัทที่วัดอัมพวันสิงห์บุรีครับตั้งแต่ปทศทีหกยุบหนอพองหน่อครับมันได้มันได้เฉพาะเฉพาะสังหกครับคือบวชเขาบวชแล้วเหมือนพี่ประคองขุยฝังเมื่อกี้ครับ เรียนก็เรียนแล้วทำานก็ทำแล้วแต่ว่าไม่ใช่มันไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องการครับผมจริงๆแล้วผมไม่อยากจะมาที่ภาคอีสานเลยไม่อยากมาอยู่เลยครับ ค, คุยตรงๆเลยครับคือโดนนายย้ายมาให้ใ ห, ให้ดูแลภาคอีสาน ผมก็ไม่มั่นใจว่านายเกลียดหรือรักกันแน่ก็มาให้ดูแลหานเยอะไปก็เครียดมากทีนี้แฟนผมก็พามาหาพระอาจารย์พงศ์ว่าขอขวัญเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์พงศ์ครับพอมาถึงวัดถ้ำแสงเทียนนะครับเขาปฏิบัติธรรมแบบยกมือครับ ผมกลับเลยครับเพราะผมมั่นใจครับผมผมมั่นใจหลวงพ่อจรันครับผมกลับไม่ไม่พูดกับพระไม่พูดกับเชียไม่ไม่เอาแล้วครับไม่ใช่แล้วทีนี้กลับไปบ้านก็เครียดนายก็ใช้ทั้งไปนั่นทั้งไปนี่โอ้ยผมก็บอกนายเลยครับว่าปลดเลยไม่ตามไม่ตามแล้วถ้าอยากจะปลดก็ปลดเลย ทีนี้ถ้าปลดที่นี่ผมก็ทามานปลูกมันปลูกอ้อยไม่เป็นแฟวนผมก็เอามาส่งอาจารย์พปงอีกครั้งนึว่าช่วยหน่อยอาจารย์ช่วยหน่อยคือไม่มีอะไรจะกินนะ <c oughs> แฟนผ ม, มรู้พฤติกรรมผมว่าบองบอ ง, บองอยู่หน่อยนะครับขออนุญาตขออนุญาตพูดตรงๆนะครับผมคนพูดตรงไปตร ง, ตร ง, ตรงมาครับ ครั้งที่สองพระอาจารย์พงศ์ก็ออกทุดโธงผมกลับอีกครั้งที่สามจำเป็นต้องมามาถึงก็อาจารย์พงศ์ได้รับไว้ผมว่าเอาเป็นยังไงเป็นการได้ยังไงผมก็สมัครเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์พงศ์คนเดียวให้สอนผมคนเดียวแล้วก็ผมก็เชื่อครับผ ม, ผม ต้องทำให้ได้ว่าถ้าอาจารย์พงษ์ทำได้ผมทำได้ผมมั่นใจแบบนั้นครับทีนี้ไอผมเองเป็นคนกลัวผีอาจารย์พงษ์อบมาเราไม่ผมอยู่วัดคนเดียวได้ผลเลยครับคือเดินจงกรมกับช่างช่างจังหวะโอ้ยไม่ไม่รู้กี่ชั่วโมงครับตอนปฏิบัติใหม่ๆมันห่วงห่วงมากครับห่วงจนหัวจะทิ่มเลยแอบไปนอนอยู่ ผมก็ตรงๆนอนเลยอาจารย์โป่งแก้อารมณ์ผมโดยตีค้องใหญ่ๆนะครับใส่หูทีเดียวเลยลุกขึ้นครับแล้วก็ผมไม่อยากจะเก็บอารมณ์พระอาจารย์ถวินก็เอาไปเก็บอารมณ์อีกทีครับผมกลัวว่าเก็บอารมณ์เหมือนติดกุ๊กครับอาจารย์ถวินก็ให้เก็บอารมณ์หลังจากนั้นผมก็ ได้ครับได้สมาธิที่นี่แบบสร้างจังหวะครับผมได้เห็นอะไรหลายอย่างได้เห็นตัวเองด้วยแล้วก็ผมมั่นใจพระอาจารย์พงศ์ทําตั้งใจทำํำผมไม่โกงไม่โกงตัวเองครับอาจารย์ทางให้ทําแบบไหนผมทําแบบนั้นครับแล้วก็โลดีดีโดยกวาดขยะบ้างขัดห้องน้ําบ้างและ อพอปฏิบัติธรรมแบบเคลื่อนไหวนี้ผมก็เกิดความสว่างขึ้นก็ได้ได้เป็นประธานพอมออำเภอด้วยครับของพักดีจุมพลนี้ครับพระอาจารย์พงศ์ก็ได้ขูดกิเลสออกให้เยอะให้ผมช่วยเหลือคนตั้งแต่นั้นมาผมก็ได้ดีเด่น สอนสามปีสอนนะครับผมอาจารย์พงษ์บอกว่าถ้านายเขาเห็นไม่ต้องยืดอะไรไปเลยให้เองไม่ไม่ต้องอยากเอาทำแล้วทิง้งทาแล้วทิ้งไปเลยปี6กศูนย์นี้ก็ได้อีกผมก็ทิ้งไม่เอาครับผมเมื่อสองวันที่แล้วพระอาจารย์มหาก็ไปสอนที่ผมผมปฏิบัติอยู่ผมก็ได้เกรดความรู้เล็กๆ เรื่องวิธีสร้างอย่างว่าและเมื่อวานพระอาจารย์แบรนก็ไปสอนอารมณ์ผมแต่ผมติดอารมณ์อยู่อย่างเดียวคือผมไม่คลุกคลีกับหมู่ะณะครับคือผมปฏิบัติธรรมร่วมกับเพื่อนยังไม่ได้ผมไปถามพระอาจารย์ผมเลยว่าจะแก้ตรงไหนครับอาจารย์ก็ออกไปร่วมกับเพื่อนนะครัว่าให้ให้ทำให้ได้อยู่กับเพื่อนก็ได้ อยู่คนเดียวก็ได้ครับแต่ตอนแรกตอนแรกๆนะครับยากมากครับเพราะผมไม่เชื่อครับครับแต่เมื่อทำไปผมเห็นเองผมจึงเชื่อครับมั่นใจด้วยครับไม่กลับไปยุงหน่อพองหนอหรือพูดโทษครับแต่ว่าผมจะดูหลวงพ่อสนองทางทีวีนะครับดูได้ทุกทุกองครับพระกรรมฐานนะครับผมครับ ผมก็ขอเป็นกําลังใจให้ญาติธรรมรุ่นใหม่ที่ว่าเข้ามาปฏิบัติธรรมครับให้มั่นใจแล้วจะเห็นผลและผมพยายามชวนผู้นําชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านประมาณนี้ให้เข้ามาปฏิบัติธรรมครับแต่ว่าเขาก็ยังไม่ค่อยมีโอกาสครับแต่ตอนนี้นายอำเภอรับปากแล้วว่าจะเข้ามาปฏิบัติธรรมคือผมก็ชื่นใจหน่อยครับ ผมก็มีเพียงเท่านี้ครับผมครับดีครับขอกราบนรรมจัการหลวงพ่อและญาติธรรมทุกท่านค่ะปฏิบัติมาก็หลายปีแล้วค่ะแต่เป็นมันเป็นคนุนใหม่อยู่ตลอดค่ ะ, คะเคยแต่ก่อนก็มีทุกข์หลายค่ะทุกข์หลายจนสิขาดตัวตายแล้ะค่ะหรือเข้ามานี่ไง อยากออกจากทุกข์กับเคยได้ไปนั่งหลับตาแต่มันโบเห็นผลค่ะโบเห็นผลได้มาเจริญสตินี่กับคือมันออกจากทุกข์ได้ค่ะก็แต่ก่อนกัคือมันอยู่แบบว่าหาวิธีออกจากทุกข์ไ่ได้ทาแบบใดกัคือมันทุกข์อยู่ตลอดค่ะทุกข์ถึงมาว่าว่าพอมาเจริญสตินี่ มันก็เห็นผลกระทั้งได้ประโยชน์มากๆค่ะคือมันค่อยๆกับเหาอยู่โลกนี้แบกโลกนี้ไหวคนเดียวค่ะพอมาเจริญสติแล้วมันมั น, มนพอเห้าเห็นตัว น, นี้แล้วมันออกจากทุกข์มันค่อยๆแบบว่าเอาผู้เขาออกจากอกค่ะมันจิบเบา บอกกันว่าบุ้มมีแนวสิเปรียบเทียบลรือค่ะพราเจริญสติเข่ามังมากคือ ม, มันสิเบาเลี้ยวไปใส่กะสาว่างไปเบิรปฏิบัติมาเรื่อยๆล่ะคะ่ะปฏิบัติกับการทํางานพ่อมีสายงานกะไปน้าสายงานละะ่ะกะไปเข้าเจ็บอารมณ์ค่ะเป็นเดือนน้าหลวงพ่อจัลันคะ่กะก็มาที่นี่กามา ที่หลวงพ่อท่านกุฏีที่มีผ่าเขี้ยวล่มค่อยเข้ามาเรื่อยๆนะคะกราบนมัพรสการหลวงพ่อและพระคณะสงฆ์ทุกรูปแล้วก็แม่ชีสามเณรสวัสดีญาติธรรมทุกทุกคนค่ะโดยโด ย, โดยส่วนตัวแล้วเป็นคนเมื่อก่อนถ้าเป็นเด็กๆนี่ก็คงเป็นเด็กที่ร่าเริงพอสมควรแต่พอโตมา เริ่มไปปฏิบัติธรรมก็เริ่มด้วยยุบหนอพองหนอก่อนนะคะแล้วก็มีการปิดวาจาก็เลยมันมันรู้สึกว่ามันตอนนั้นก็รู้สึกอึดอัดมากเพราะเป็นเด็กๆมันต้องพูดต้องคุยอะไรแล้วแต่ก็ติดการแบบนั้นมาคือพอปิดวาจาแล้วมันก็ได้อารมณ์ดีได้อะไรพวกนั้นแต่ว่า พอโตขึ้นก็เลยกลายเป็นคนเงียบลงเงียบลงไม่ค่อยพูดไม่ค่อยสังสรรค์กับคนอื่นจะเดินจงกลมนั่งสมาธิเองทําอะไรเองมันเลยกลายเป็นว่าเป็นเพราะตัวเองมากกว่าที่ทํา ท, ที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วไม่ได้ปรึกษาใครไม่ได้คุยกับใครไปอยู่เมืองนอกแล้วก็อยู่คนเดียว คุยกับณพ่อกัณแม่ก็ทางโทรศัพท์เท่านั้นอาทิตย์ละครั้งหรือไม่ไม่บ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นว่าเออไม่ได้สังคมกับใครมากมายเจอคนไทยก็เวลาไปวัดไปอะไรบ้างมันก็เลยกลายเป็นว่าเราแยกตัวออกมาแล้ววัฒนธรรมทางนู้นสังคมที่นู้นเวลาเขาพูดอะไรกันเราก็ไม่รู้จะพูดอะไรกับเขาคือการเติบโตที่ไม่เหมือนกัน มันทําให้เราไม่สามารถที่จะจอยคือเข้าไปร่วมสนทนากับเขาได้อย่างเต็มที่ได้แต่ฟังอย่างเดียวว่าเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เออเขาก็เปิดเผยกันดีฝรั่งเขาเป็นคนที่ง่ายๆตรงๆเปิดเผยกันไม่ไม่อายไม่อะไรซึ่งเป็นส่วนดีของเขาอ่ะแล้วก็ทําให้เราเออก็ดีเหมือนกันแต่พอพอเราจะพูดบ้างเรานึกไม่ออกเลยว่าจะพูดอะไรมันเหมือนปิดกั้นตัวเองอยู่พักใหญ่ ก็มีปัญหาก็เลยเริ่มรู้สึกว่าตัวเองมีปัญหามีความเครียดเวลาเขาชวนเขาชวนนะคะไปให้ร่วมกิจกรรมกับเขาหลายๆอย่างเลยเขาบอกว่าเหตุอยากให้เราไปอยู่กับเขาบอกว่าคลายความเครียดคลายความอะไรออกมาบ้างพูดในเรื่องงานก็พูดออกได้ไม่พอใจอะไรอย่างนี้ก็พูดออกมาบ้างเขาอยากให้เราพูดออกมาเป็นอย่างไงแต่เราไปอ่านมาอย่างงน้นอย่างนี้พูดอย่างงี้ไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีมันเลยกลายเป็นว่าปิดไปหมดเลยมันก็เลย เป็นที่ตัวเองมากกว่าที่แบบกลายเป็นคนอย่างนั้นไปแต่พอมาได้ปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อได้มาครั้งแรกคือมาที่เอ่อที่แมริแลนด์ตอนนั้นก็อุ้ยไปฟังแต่ก็ไม่ยกมือทําไมไม่เห็นจะรู้สึกอะไรเลยมันไม่รู้สึกดีฉันชอบเดินจงกรมมากกว่าเพราะมันเดินแล้วเดิมมาตั้งแต่เด็กแล้วอะฮะแล้วมันรู้สึกชอบตรงนี้ติดมาแล้วก็ แต่พอเสร็จแล้วก็มีเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้นคือคุณพ่อเสียด้วยโรคมะเร็งก็กระทบทางใจพอสงควรก็เลยห่างไปกับการปฏิบัติเสร็จแล้วเพื่อนโยงเพื่อนโยองอุ้มก็พากลับเข้ามาได้เจอหลวงพ่ออีกครั้งโดยที่โดยตัวเองไม่รู้เลยก็คือ เพื่อนพามาปฏิบัติที่นี่ที่วัดถ้ำแสงเทียนเป็นครั้งแรกแล้วก็เอก็กลับมายกมืออีกครั้งแต่คราวนี้เหมือนได้ฟังธทำแล้วก็เลยยกตามแล้วมีการเข้าใจอะไรมากขึ้นจนแบบว่าโอ้รู้สึกว่าได้สภาวะบางอย่างที่แบบว่าตัวเองเข้าใจมากขึ้นก็เลยรู้สึกชอบแล้วก็ได้กลับไปกราบหลวงพ่ออีกทีก็ที่ ที่สาลเด็กไม่ใช่ไม่ใช่ใชจำไม่ได้แล้วค่ะก็เป็นอีกที่หนึ่งก็เลยตามมาเรื่อยๆแต่ก็มีปัญหาอะไรที่ในใจตัวเองที่ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจามไม่ค่อยเปิดเผยประกายกลายเป็นคนอย่างนั้นไปแล้วก็เลยแล้วก็มีความอยากได้อารมณ์เดิมเดิมอยู่ติดอยู่อย่างนั้นพยายามยกมือยกอะไรก็ไม่รู้สึกตัวเหมือนเคยไม่สนุกไม่สบายเหมือนเคย ไปกี่ครั้งกี่ครั้งก็เดี๋ยวก็มีอารมณ์คราวนี้จิตใจมันมีอะไรแบบมันมันไม่สบายแล้วอะค่ะมันเริ่มไม่สบายอยู่ดีๆนอนอยู่ก็มีเสียงบาคนบอกว่า t ท k e it easy เป็นภาษาอังกฤษโอ้ยเราก็เทคอิทอีซี่เทคอิทอีซอยู่นั่นแหละแล้วมันเราก็ทำไม่ได้เพราะเราไม่รู้จักว่าจะรีแลกตัวเองยังไงเพื่อนๆคนไทยก็ หาหายกันไปย้ายไปรับนู้นนี้รัฐนี้มัง่งคนก็น้อยลงเพื่อนก็น้อยลงแล้วก็เลยเป็นปัญหาโยงอุ้มก็ไปรับมาก็ผ่อนคลายตัวเองพยายามผ่อนคลายตัเองเ<ม>พื่อนก็เป็นคนที่รีแล็กซ์สบายๆที่ชิคาโก้นี่ก็มีกลุ่มคนไทยกลุ่มใหญ่แล้วก็น่ารักกันดีช่วยเหลือกันดีอะค่ะเขาก็ไปดูตัวอย่างเพื่อนที่เขาทําให้ดูเขา ดีมากน่ารักมากเขาช่วยเหลือกันอย่างเงี้ยก็เริ่มผ่อนคลายขึ้นมาแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่ในใจตัวเองจนมากลับมาเมืองไทยเ อ, อได้ไปอยู่กับแม่หมอคลองจราเขารักษาตัวเองด้วยรักษาที่ว่ามีเสียงแววอะไรงเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีขึ้นเยอะแม่หมอก็ให้กําลังใจ พ, งพูดคุยนู่นพูดคุยนี่มันทําให้คลายปัญหาบางอย่างภายในใ จ, จิตใจออกมาได้โดยที่เราไม่ ไม่รู้ตัวแต่รู้สึกโอ้เออตรงนี้เราติดตรงนี้ไปฟังอย่างงี้อย่างนี้ได้คุยกับคนทั่ ว, วไปคนไข้ด้วยกันก็ดีก็แชร์ประสบการณ์กันแต่ละคนมันก็เลยทำให้เรียนรู้แล้วก็ทำให้กลับขึ้นมาดีได้ได้กลับมาทำงานแต่ก็ยังมีปัญหาภายในใจที่ออกมาโดยที่เราถึงกลับไปทำงานไม่ได้ก็มีต้องหยุดไปหลายๆวัน พอมันเป็นสองครั้ง3มครั้งมันก็เอ๊ะชักไม่ไหวแล้ว เ, เราต้องหยุดน่าจะหยุดมารักษาใจตัวเองมากกว่าในระหว่างนั้นจริ ง, รงๆแล้วก็ได้เริ่มกลับมาปฏิบัติกับหลวงพ่ออีกคราวนี้มันรู้สึกสบายขึ้นกว่าเดิมพอจะเข้าใจอะไรได้บ้างขึ้นมันแต่ความรู้สึกตัวก็ยังไม่ค่อยชัดเจนแต่มันก็ได้อย่างน้อยก็ได้ทาอะค่ะ ก็คือได้พยายามาทำนอกรูปแบบซะมากกว่าเพราะมันจะเป็นธรรมชาติมากกว่าไม่งั้นตัวเองจะเพ่งแล้วก็อยากได้เป็นอย่างนั้นซะเยอะก็พ อ, อผ่อนคลายขึ้นทำงานได้รู้สึกภูมิใจในตัวเองมากขึ้นคือสามารถที่จะให้เงินแม่ได้ดูแลแม่ได้ทากับข้าวให้แม่ทานได้ช่วยงานบ้านช่วยอะไร มันมันก็ดีขึ้นเยอะอะแล้วก็โชว์ดีขึ้นมากๆเลยนะพ่อเพราะมีค่ะตงข้อสังเกตไหมว่าการเริ่มปฏิบัติธรรมครั้งแรกสมัยเป็นเด็กโดยใช้วิธีหยอตอนนั้นท่านที่ไม่ต็นใจอะไรนะค่ะแต่พอเมื่อสีแวดล้อมในสถานการณ์มันมาเับาก็ทำทำไปทามารั้เป็นดิใส่ความสนุน พอดีอสมองเรเคยทาให้ปิดตัวเองแล้วก็ไปแอบทาตรงนี้เป็นอะไรบางอย่างที่ผู้ปกครองหลายคนเห็นดือเสมอก็อยากจะเข้าปฏิบัติแต่ว่าจิตมันไวมากพอไา่างเข้าไปสู่ความสมองปักเนี่ก็ิเราะิสมองเพราะปฏิสมมมุกเป็นยอยากจ อ, อ, อ, อยู่ด้วยตัวเองแต่ว่าทางั้านดิจิตนิยมเพราะนะที่เราจะต้องไปพบปะผุะ้คนที่เราไปทาการทางานข้าไปเรียนท กจ ต, ตัวนั้น็สิ่คัญที่ทำให้จิตใจเร า, อ, าอันผได้นะดังนั้นก็ อ, อยากจะให้เป็นแบบอย่างในการแก้ไขพในเรมต้นราไม่เครร้วมเหตการนี้เปอย่างนี้นะแต่เราก็มีการแก้ไขในการพบกับุบาร์ก็กกชื่อเองได้มตลอดค่ะว่าป็นจุบันที่ว่าปรอดภนะัยเออถ้อา่านี้นะ<ถ>ปเป็นคือโรกซึมเศร้าโรคซึมเศร้าด้วยอ่ะซึมเศร้าย ค่ะปัจจุบันนีน่าพอดีขึ้นนะดีขึ้นค่ะเพราะมันเมื่อการปฏิบัติแม้วันนี้มันออกมาแล้วมันจบมันจบคล้ายๆที่พี่จีลาพรเล่าให้ฟังอ่ะค่ะคือมันออกมาแล้วมันคลายอ๋อเราเป็นอย่างนี้เพราะอย่างนี้มันเข้าใจใจตัวเองมากขึ้นนะคะเป็นระบบระเบียบมากด้วยความคิดตอนนี้เป็นระบบระเบียบมากขึ้นกราบสวัสดีเอพระท่านพระอาจารย์พระสงฆ์ทุกรูปนะคะแล้วก็กราบ แล้วก็สวัสดีกัลยาณมิตรทุกท่านค่ะคือแนะนำตัวก่อนนะคะดิฉันชื่อวารุณีนะค ะ, ะเคยเป็นรับราชการเป็นอาจารย์มาก่อนตอนนี้ก็กเกษียณอายุแล้วแล้วก็คิดอยู่เสมอว่าเราจะทำตัวอย่างไร ให้เกิดประโยชน์ทุกวันนี้ก็ทำหน้าที่ของตัวเองนะคะในฐานะลูกเริ่มเริ่มปฏิบัติเนี่ยนะคะตั้งแต่ตามคุณประจวบแล้วก็คุณเปี่ยมสุขซึ่งเป็นญาติของอาจารย์แมนสามีเนี่ยนะคะมาแล้วก็ได้พบพระอาจารย์แล้วพระอาจารย์ก็ได้ได้ได้อธิบายได้เทศ แล้วก็คือเป็นคนที่สนใจทางด้านพระพุทธศาสนามามานานพอสมควรแล้วก็ได้เข้าใจในสิ่งที่พระอาจารย์พูดแล้วก็ส่วนเรื่องของการปฏิบัติการยกมือก็ดีหรือการเดินจงกรมก็ดีก็ได้เอามานำมาใช้ในชีวิตการทำงานปัจจุบันหมายความว่าพ ย, <Okay. S 1> พยายาม <Okay. S 1> ที่จะ มีสติมีความรู้ตัวอยู่ในสิ่งที่ทำแล้วก็ได้ลดความเหลวไหลไร้าสาระในในสมองของตัวเองเนี่ยลงไปอย่างมากแล้วก็ทำหน้าที่ต่างๆล้วนๆโดยมีสติกากับแล้วพอมีความรู้สึกว่าเมื่อเราได้ปฏิบัติแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่า ตัวเราตัวเราไม่คิดอะไรที่ที่สับสนหรือวุ่นวายแต่มีความมีความรู้สึกยินดีปิติที่ได้ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามหน้าที่ของเราโดยไม่มีความเครียดเลยมีความรู้สึกว่าเราเราเราสงบเรานิ่งแล้วเราก็รู้สึก เป็นมิดกับไม่ว่าใครจะพูดอะไรเรารู้สึกเราเราเราไม่ไม่ไม่เกิดความรู้สึกกระทบกระเทือนไม่เอาไปคิดต่อฟุ้งซ่านยังนึกเสียดายนะคะว่าเรามาทำช้าเกินไปหน่อยถ้าทาได้ทำตอนสมัยยังที่อายุน้อยกว่านี้การงานของเราคงจะดีขึ้นกว่านี้เยอะเพราะฉะนั้นโดยขอเป็นกำลังใจให้ผู้ที่ ที่ยังอายุ น, ยน้อยแล้วก็ยังมีงานทำอยู่เนี่ยให้เข้ามาปฏิบัตินะคะมันจะมีส่วนช่วยในชีวิตการทำงานและช่วยเหลือผู้อื่นอีกเยอะมากเลยค่ะกราบคิดว่าไม่เป็นนะคะเพราะเหตุว่าการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยตามธรรมดาผู้สูงอายุเนี่ยท่านก็ท่านก็มีมีอะไรอ่มีปัญหา อะไรที่ที่ตามธรรมดาของผู้สูงอายุนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ปัญหาหนึ่งส่วนสามีก็อีกอย่างหนึ่งนะคะแต่ว่ามันมันมันมันใกล้เคียงกันนะคะคือบางครั้งท่านก็ใจร้อนบางครั้งท่านก็ติดอยู่ในในสิ่งเดิมเดิมของท่านนี่เราถ้าเผือเราปฏิบัติแล้วเราทำใจให้ให้ให้นิ่งนะคะเข้าใจเห็นใจ อันนี้เป็นความรู้สึกที่ดีมากคือความเข้าใจในตัวท่านทั้งหลายเหล่านั้นแล้เราก็สามารถทําหน้าที่ของเราได้ด้วยความเข้าใจนะคะไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีความรู้สึกว่าเป็นภาระหรือว่าเป็นอะไรแต่มีความรู้สึกว่าเราเข้าใจว่าถ้าเรามีส่วนทำทำให้ตัวให้เกิดประโยชน์แก่ท่านเหล่านั้นได้เนี่ยถือว่าเราเราเร า, เราได้ก้าวของ การปฏิบัติมาอีกขั้นหนึ่งอะคะ่ะมาจากโรงพยาบาลจตุรัสเหมือนกันคุณมริกาเป็นทั้งหัวหน้าแล้วก็เป็นพี่สะพ้ยคะ่ะเป็นหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลส่วนตัวดิฉันก็เป็นน้องสามีกราบน้ัสการพระครูบาอาจารย์สมมามเณรแม่ชีแล้วก็อนุโมทนาบุญกับผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านแล้วก็กราบอนุโมทนาบุญไปยังแม่ครัวด้วยนะคะดิฉันไม่สงสัยใน แนวทางปฏิบัติแบบเคลื่อนไหวต่อได้อย่างจากหัวใจเออมาด้วยความไม่รู้อาจารย์บอกว่าให้รู้เคลื่อนไหวเอาแค่นี้แค่เดียวรู้เคลื่อนไหวมันก็จะจับไม่ทานเรานะคะแต่ก็เคลื่อนไหวเออเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดอย่างนี้เวลาเดินก็เคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดเวลาเคลื่อนมือก็ใช้คำว่าเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุด ก็ทำอยู่แค่นี้แหละคะ่ะออกมาแค่นี้ก็ทำแค่นี้พอมาปฏิบัติพอมาปฏิบัติปล่อยเข้าป่ายางป่อเข้าป่ายางได้ได้กำลังใจจากพระอาจารย์ท่านบอกว่านักรบของพระพุทธเจ้า นักรถของพระพุทธเจ้าเข้าป่ายางก็โดนชกเลยค่ะเบ้าตาเบ้าตาชกอย่างแรงชกเบ้าตาเฉยแต่ทำไมอ่อนเปี้ยเพียแรงไปทั้งหมดเดินจงกรมอยู่บนศาลาหัวเกือบดวนมันมีความคิดว่าถ้าหัวล้มกระแทกพื้นนี่อายเพื่อนโรงพยาบาลเนี่ยอายคนนั่นงศาลาแน่ก็เลยไปเอา ผ้าถูพื้นมาถูเกือบหลับขาผ้าถูพื้นถูไปถูมาก็ก็กลัวรบกวนเหมือนกันนะคะแต่ไม่รู้จะทำยังไงคือคิดว่าถ้าล้มลงเนี่ยอายมากกว่าก็เลยไปเอาผ้าถูพื้นมาคิดว่ามันจะหายอะถูพื้นไปรอบหนึ่งรอบที่สองมันง่วงเกือบหลับถ้าพระอาจารย์ไม่ให้หยุดนะคิดว่าถือไม้เท้าถูพื้นหลับอยู่ตรงนั้นแหละทีนี้พอไปปฏิบัต เดินจงกรมไม่ได้กำหนดนี่นาอาจารย์ก็บอกว่าให้เดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังเดินกรย่ยงเด้าเดินตะแคงเท้าข่าวนี้มาเลยค่ะเดินแบบนางแบบก็เดินนะค ะ, ะเดินแบบตุ้งติ้งก็เดินมาทุกสารพัดถ้าความง่องหายไปนักลบตีเบ้าตาตีไม่ได้แล้วแต่ คนที่เดินจงกรมอยู่ทางข้างไม่รู้ว่าหายไปไหนวันต่อมาถ่ากงใส่ท่าจงกรมของเราจะไปรบกวนแต่แต่แตหายความง่วงหายแต่ถึงจะเดินจงกรมไปแบบไหนก็ตามพอเวลามันสงบแล้วเราก็กลับมาสู่เป็นท่าปกติคือเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดยิ่ง ยิ่งรู้สึกสงบมากถ้าเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดมันก็ยิ่งสงบมากทีนี้พอเดินไปสักพักหนึ่งมานั่งยังไม่ถึงสามรอบเลยมาอีกแล้วเบ้าตาอะเดินไม่ง่วงนั่งก็โดนูนี่แล้วเบ้าตายังไม่พอเตะต้นขาอีกบวดมากก็ลุกขึ้นมาเดินพอมานั่งอีกก็เหมือนเดิมไม่สงบ นั่งไม่ได้ง่วงแล้วก็โดนเตะขาปวดมาก mm hmm. ก็เลยลุกขึ้นมายืนเดินเอเดินสนุกกว่าสงบ ก, กว่าไปเดินอยู่ใต้ต้นมะตูมเดินต้องวันมันไม่ปากมันมาปากเอาที่ขาอู้ปวดพอปวดนี่มันเดินไม่ได้มันต้องนั่ง กำลังยืนอยู่ว่านั่งไม่อยากนั่งเลยความรู้สึกไม่อยากนั่งมันมากเพราะว่ามันง่วงผู้อาจารย์เดินมาส่งเสียงไปเบาๆว่าผู้อาจารย์ง่วงผู้อาจารย์ก็เลยว่ากันทาเหมือนลิงจะมาได้ทําเหมือนลิงคิดจะเอาท่านั่งทําเหมือนลิงทําแบบไหนว่าเพราะว่าเดินก็เหมือนลิงไปแล้วนั่งเหมือนลิงนี่นั่งยังไงเนี่ยกําลังนั่งลง อั้เขาต้นหลังเลยค่ะไม่รู้ว่าอะไรถ้าจะส่งเสียงโอ้ยคุกคามรบกวนคนอื่นเพราะว่าโดนก็ ก, กวนเข้ามาแล้วไม่รู้ว่าอะไรตั้งเขาที่ปลายหลังคราวนี้อ่ะเคลื่อนหยุดเคลื่อนยุดเคลื่อนหยุ ด, อย ด, อยดโอ๊ยไม่ทําอยู่งงั้นหยุดไ ม, ไม่รู้ว่านานเท่าไหร่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงก็แต่ความปวดมื่อปวดเรามันปวดมากหาตัวอะไรตอดก็ไม่เจอมันมันคำก็ไม่เจอมาอยู่กลางหลังพอดี พอทำแบบนี้แบบนี้เอ๊ะมันหายไปตอนไหนก็ไม่ทราบค่ะอ้าวขาก็หายหลังก็หายปวดคราวนี้ไม่สนใจว่าตัวอะไรมันตรวจความสงบมันก็มาเลยมีความรู้สึกว่าเอ๊เวลาเรามาปฏิบัติเนี่ยถึงเราจะปฏิบัติฝึกไปแบบไหนก็ตามเรายังต้องกลับมาคงรูปแบบ ท, ที่เหมือน ครูบาอาจารย์สอนไว้เพราะว่าเราถ้าไปทำท่าเหมือนเหมือนเหมือนเดินจงกรมท่ารูปแบบท่าตุงติ้งอะไรดูเพื่อนเพื่อนทำของเราก็คงทนไม่ได้นีจากเราไปก็คงจะเป็นท่าที่ไม่สวยงามเวลาเราจิตใจสงบเราก็คงกลับมาอยู่ในรูปแบบที่เหมือนเดิมทีนี้หลงไปที่ตรงหัวเ ข, ขานะคะใจมันบินไปมากพอมาฟังธรรมของอาจารย์อู้หลงไปแค่นี้บาปกรรมเยอะเลย ตอนที่ไปเขานะคะปฏิบัติไม่ได้เลยใจมันปิวไปอยู่ยอดเขากับนมัสการค่ะ